ตอนสมเด็จปู่โตมีอยู่ระยะหนึ่งของชีวิตที่ฉันได้ประสบมรสุมทางธุรกิจอย่างหนักซึ่งมิได้เกิดจากตัวฉันทำเองแต่เกิดจากญาติผู้ใกล้ชิดคนหนึ่งซึ่งฉันรักมากหลงเชื่อเหล่าพวกต้มมนุษย์ซึ่งฉันคิดว่ามันทำงานกันเป็นแก๊งรวมหัวกันกับญาติฉันตอนแรกก่อนที่จะเกิดเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ เริ่มต้นด้วยเงินเพียง1 5 0 0 0บาทเท่านั้นที่ญาตฉันมาขอยืมไปหลังจากที่ฉันให้เงินจำนวนนี้ไปไม่นานก็มีเสียงบอกที่หูตลอดเวลาว่าเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกไม่ว่าจะนั่งนอนยืนเดินนึกจะบอกก็บอกเสียงที่หูได้ยินบอกว่าญาติคนนี้กำลังจะเดือดร้อนเพราะเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินเงินบอกอยู่อย่างนี้ จนวันหนึ่งฉันทนไม่ไหวก็เรียกตัวมาถามฉันอุตส่าห์ให้เด็กยกเก้าอี้ไปตั้งที่หน้าวิมานพุท ธ, ธเกษตรซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากเพื่อจะไม่ให้เขาโกหกฉันถามเขาว่าเงินที่มาเอาไปนั้นเอาไปทําอะไรในเมื่อตัวเขาก็เป็นคนมีอันจะกินแต่ทําไมถึงต้องมายืมเงินฉันเขาก็เล่าว่าเปิดบริษัททําเหมืองที่ลําพูนร่วมหุ้นกันหลายคนเงินส่วนตัวก็ลงไปมากแล้ว ฉันก็ถามเขาอีกว่าเหมืองที่ว่านี้เคยไปสำรวจดูด้วยตาตัวเองหรือเปล่าเขาก็ตอบว่าเปล่าแต่เห็นในสัมปทานแล้วเป็นเรื่องจริงฉันก็ถามว่ารวมๆแล้วลงเงินไปเท่าไหร่3ามแสนเฉพาะที่เหมืองแต่ยังไม่พอยังจะต้องทําถนนเข้าเหมืองอีกระยะทางหลายกิโลเมตรใน35000นนี้เสียค่าสัมปทานไปสอง0 0 0เขาตอบ แต่รู้สึกอมๆแอมๆอไม่ค่อยจะชัดเจนนักฉันก็เลยบอกให้ฟังว่ารู้ไหมว่าฉันได้ยินเสียงมาบอกที่หูตลอดเวลาว่าพี่กำลังจะเดือดร้อนเพราะเรื่องเงินขอให้ระวังให้ดีนะติดตามให้ใกล้ชิดไม่ได้ทำงานด้วยหูต้องทำงานด้วยตาเราเองและสมองเขาก็รับปากว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงแต่เรื่องมันกลับไม่เป็นเช่นนั้นวันหนึ่งเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น ฉันไปรับก็ได้ยินเสียงญาติคนนี้พูดว่าขณะนี้อยู่ที่ธนาคารเงินในธนาคารหมดเขียนเช็คไปเขามาขึ้นเงินถ้าไม่มีให้เขาก็จะต้องถูกจับฉันถามว่าเท่าไหร่เขาตอบแสนหกฉันตกใจมากบอกขอพูดกับสมุบัญชีของธนาคารสมุบัญชีมาพูดยืนยันฉันก็อัดอั้นตันใจเป็นที่สุดที่ได้ยินอย่างนี้นี่ถ้าฉันไม่ช่วย เขาก็ต้องโดนตำรวจจับตัวไปแน่ๆตำแหน่งหน้าที่การงานเขาก็มีเกียรติมากถ้าเกิดเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ก็จะต้องอับอายกันไปหมดฉันเลยตัดสินใจให้คนคนนั้นมาด้วยกันกับญาติแล้วฉันก็เซ็นเช็คใจ่ายให้ไปด้วยจิตใจที่หดหู่เป็นที่สุดฉันได้ต่อว่าเขาว่าเห็นหรือยังว่ามีเสียงเตือนฉันเป็นเรื่องจริงแล้วแล้วนี่หมดหรือยังเขาก็บอกหมดแล้ว และถ้าได้ผลจากเหมืองเมื่อไรเขาจะรีบเอาเงินมาใช้ฉันโดยเร็วต่อมาไม่นานเรื่องทํานองนี้ก็ผุดขึ้นมาอีกโดยญาติคนนี้ไปเซ็นค้าประกันเช็คของพวกร่วมงานที่เหมืองครั้งละเป็นแสนแสนพอเช็คถึงกําหนดก็ไม่มีเงินให้เขาก็มาอ้อนวอนฉันทุกครั้งว่าถ้าไม่ช่วยเขาจะต้องติดคุกแน่ๆฉันเองเวลานั้นมันเหมือนกับคนอยู่บนหลังเสือ ลงมาก็ไม่ได้เพราะจะต้องโดนเสือกัดจึงต้องจําใจขี่หลังเสือต่อไปโดยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งกระดูกก็กลับเอามาแขวนคอธุรกิจที่ญาติคนนี้ไปทํานอกจากเมืองแล้วยังไปเปิดปั๊มน้ํามันและอื่นๆอีกเพื่อเหตุผลเพียงอย่างเดียวคือจะได้หมุนเงินได้หลายทางเพื่อนํามาใช้คืนชั้นเรื่องเดือดร้อนจากเล็กกลายเป็นใหญ่จนเป็นมรสุมนั้นดําเนินไปเป็นปี โดยฉันไม่ได้เงินคืนเลยสักแดงเดียวหมดไปนับไม่ถ้วนเงินในธนาคารฉันลดหวบจนใจหายระยะนั้นฉันคิดมากกลุ้มมากนอนไม่หลับจนเป็นความดันคิดเสียดายเงินและโกรธญาติคนนี้เป็นที่สุดแต่ก็สงสารที่แกช่างไม่ทันคนเอาซะเลยแกไม่รู้ตัวว่าถูกเขาต้มจนเปื่อยและฉันก็พลอยเปื่อยไปด้วยจะพูดให้ถูกก็คือฉันเปื่อยมากกว่าแกก็เป็นได้ เรื่องเดือดร้อนนี้ไม่จบสิ้นสักทีฉันถึงกับลงทุนเดินทางไปแก้ไขช่วยแก้ด้วยตัวเองสองสามครั้งด้วยกันแต่ทุกครั้งที่บอกฉันว่าหมดเรื่องแล้วไม่เคยเป็นความจริงเลยความเสียดายเงินกลืนไม่เข้าขายก็ไม่ออกถล่มช่วยแก้ปัญหาเขาไปไม่รู้จักจบสิ้นยิ่งแก้ก็ยิ่งมากจนตัวเราเองจะแย่แล้วฉันก็เลยตัดสินใจจะทาตัวเองให้หายไปจากโลกนี้เสียให้รู้แล้วรู้ลอด ถ้าฉันยังขืนอยู่ฉันก็ต้องช่วยเขาทุกครั้งที่เกิดเรื่องขึ้นเรื่องทางเหมืองก็ดูเป็นเรื่องลางเลือนเต็มทีฉันพยายามสารพัด ท, ที่จะระงับความเครียดด้วยวิธีการต่างๆนั่งสมาธิก็เป็นอันหมดหวังเพราะจิตมีนิวรนะ์หนในที่สุดฉันก็แอบไปซื้อยานอนหลับมาจากร้านยาสามแห่งแห่งละ20เม็ดมาบดด้วยโกร่งบดยาจนละเอียดใส่ซองพลาสติกไว้ ตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะหาโอกาสเหมาะๆดื่มพร้อมกับโอวันตีนหรืออะไรก็ได้เพื่อจะได้ไม่ง่วงเสียก่อนกินยาหมดที่ฉันจะทําวิธีนี้เพราะคิดแล้วว่าถ้าฉันยังคืนมีชีวิตอยู่ก็อาจจะหมดตัวจนไม่เหลืออะไรไว้ให้ลูกเต้าและครอบครัวของเราเพราะมัวแต่เมตตาคนอื่นแรกๆก็หักใจได้ว่าสมบัติเป็นของนอกกายช่วยเหลือคนที่กาลังมีทุกข์ก็ได้กุศล แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งรับยิ่งหนักเข้าไปทุกทีจนปรงไม่ตกและเกิดความเสียดายแล้วก็มองไม่เห็นทางที่จะได้คืนอีกด้วยคืนนั้นเป็นคืนที่ฉันตัดสินใจจะดื่มยาฉันอาบน้ำขัดสีฉวีวันจนสะอาดและสระผมด้วยเพื่อเตรียมตัวตายเมื่ออาบน้ำเสร็จก็ม้วนผมเข้าเครื่องอบซึ่งฉันก็มีพร้อมอยู่ที่ในห้องนอนขณะที่ฉันกาลังแกะที่ม้วนผมและสางผม กะว่าเมื่อหวีผมเรียบร้อยก็จะไปจุดธูปขอขามาบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งลู ป, ปันสมเด็จโตด้วยที่ที่บูชาพระแล้วกะว่าสักตีสามจะลุกขึ้นมาดื่มยากับโอเวนตินซึ่งกะจะสั่งให้เด็กชงใส่กระติกมาตั้งไว้ที่โต๊ะหัวเตียงเพื่อสะดวกที่จะลุกขึ้นมาดื่มเสียงโทรศัพท์ที่โต๊ะใกล้เตียงดังขึ้นฉันซึ่งหวีผมไปคิดอะไรอะไรไป ใจกำลังลอยสะดุ้งสุดตัวฉันไม่สนใจว่าจะเป็นโทรศัพท์ของใครเพราะจะทิ้งโลกที่น่ารังเกียจนี้ไปอยู่แล้วเสียงโทรศัพท์เงียบไปแสดงว่าเด็กอยู่ชั้นล่างคงรับเครื่องข้างล่างอึดใจต่อมาเสียงเคาะประตูและคนต้นห้องก็บอกว่ามีโทรศัพท์จากคุณเยาวภาจะขอพูดด้วยพอฉันได้ยินชื่อนี้เท่านั้นใจเต้นแรงขึ้นมาทันที เพราะคุณเยาวพานี้เป็นร่างที่สมเด็จโตท่านแฝงอยู่เสมอครั้งหนึ่งท่านมาแฝงบอกได้รับหมอไปรักษาหลวงพ่อที่อุทัยธานีกลางดึกบอกว่าหมอที่อุทัยฉีดยาไม่เข้าต้องรับหมอชื่อนี้ไปรักษาจึงจะรอดกำลังเป็นปอดบวมแล้วพอไปถึงเรื่องก็เป็นความจริงหมอคนที่เคยรักษาประจาที่อุทยนางหมดปัญญาอยู่ใกล้ๆเพราะฉีดยาไม่ได้ เข็มแทงไม่เข้าพอหมอคนที่คุณเยาวพานำไปฉีดยาก็ฉีดได้และต้องค้างคืนที่อุทัยที่วัดหลวงพ่อถึงได้รอดตายจากปอดบวมฉันรีบไปรับสายทันทีคำแรกคุณเยาวพาก็พูดขึ้นว่าคุณพี่คะหลวงปู่ท่านให้หนูโทรศัพท์มาบอกคุณพี่ว่าที่คุณพี่คิดจะทาอะไรคืนนี้นั้นท่านขอบินทบาทและขอห้ามว่าอย่าทำ หนูไม่ทราบว่าคุณพี่จะทำอะไรท่านร้อนใจเร่งหนูใหญ่บอกเร็วๆเดี๋ยวมันจะไปนั่งแล้วหมายถึงฉันนั่งสมาธิเสมอเวลาไหว้พระและครั้งนี้ก็ตั้งใจว่าจะไปขอขมาลาท่านแล้วก็จะนั่งเป็นครั้งสุดท้ายคุณพี่จะทำอะไรคะฉันร้องไห้โฮออกมาเลยมันทนไม่ไหวเพราะเก็บอัดไว้ในใจคนเดียวมาเป็นปีๆแล้วร้องไห้ไปก็พลางถามว่า ถ้าหลวงปู่ไม่ให้ทําแล้วพี่จะทนอยู่ได้อย่างไรล่ะคุณเยาวภาล้องตายตายคุณพี่คิดอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวค่ะฟังนะคะหลวงปู่บอกว่าให้ทนอีกอึดใจเดียวเท่านั้นก็จะหมดกรรมแล้วแล้วสิ่งที่เสียไปก็จะได้กลับคืนมาเกินพอแต่ระยะนี้ให้คุณพี่รับสัจจะจากท่านแล้วปฏิบัติตนให้สัจจะแล้วจะทนอยู่ได้ฉันรับปากและรับสินห้ากันทางโทรศัพท์แล้วบอกว่า ลูกขอให้สัจจะว่าสิ่งใดที่หลวงปู่จะให้ปฏิบัติก็จะปฏิบัติตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เสียงทั้งสายจากคุณยาวภาที่ได้รับสัจจะเป็นเสียงผู้ชายแก่ไปได้อย่างประหลาดฉันบังเกิดความตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกรู้สึกราวกับว่าได้นั่งอยู่ต่อหน้าองค์สมเด็จโตจริงๆยังไงอย่างนั้นเสียงสั่งมาตามสายบอกว่าต่อไปนี้ข้อหนึ่ง จะมีชีวิตอยู่เพียงครั้งละหนึ่งวันขออ้อ2จะไม่คิดถึงอดีตอีกต่อไปขอ้อ3จะไม่คิดถึงอนาคตว่าจะมีจะเป็นอย่างไรในแต่ละวันให้ทําจิตใจให้สะอาดประกอบแต่กรรมดีคบคนดีไม่สร้างศัตรตูประกอบกิจการงานด้วยความไม่ประมาทเท่านั้นแล้วเจ้าจะค่อยๆรู้สึกดีขึ้น และจะพ้นกรรมเก่าในไม่ช้านี้แล้วท่านก็ให้ศีลให้พรแบบพระฉันยกมือขึ้นพนมรับพรรับสัจจะทั้งๆ ท, ที่กรรมหูโทรศัพท์อยู่จนเหนือหัวน้ำตาก็ไหลเป็นทางแม้จะวางสายไปแล้วก็ยังนั่งสะอื้นอยู่อีกนานความรู้สึกบอกไม่ถูกมีทั้งตื่นเต้นตกใจปลื้มปิติที่มีโอกาสได้เฝ้าสมเด็จโตท่านทางโทรศัพท์ และคำพูดคำหนึ่งที่ท่านพูดท่านแจ้งความจริงว่าเหตุใดท่านจึงเดือดร้อนต้องมาช่วยเองเป็นลูกของน้องสาวปู่ในอดีตชาติเองรู้ไว้เองทํากรรมดีมาทุกชาติอย่าทําลายบา ร, รมีของตัวเองด้วยวิธีนี้สาธุด้วยบา ร, รมีอภินิหารของสมเด็จปู่โตแท้ๆฉันจึงยังมีชีวิตอยู่จนป่านนี้และก็เป็นจริงดังคําทํานายไว้ทุกประการ เพราะต่อมาอีกไม่กี่เดือนญาติคนนั้นของฉันก็ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจวายเมื่อฉันหมดคนกวนไม่นานฉันก็ได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจต่างๆคลายกับลาบลอยมามากพอจนคุ้มที่ได้หมดไปกับญาติคนนั้นและฉันก็ได้ปฏิบัติตัวด้วยการมีชีวิตอยู่ครั้งละหนึ่งวันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตตั้งหน้าประกอบแต่กรรมดีปฏิบัติตัวดี ไม่สร้างศัตรูตามที่ได้ถวายสัจจะไว้กับหลวงปู่โตผู้ศักดิ์สิทธิ์ตราบเท่าทุกวันนี้ตอนสร้างพระเรื่องของจิตอธิษฐานนี้มีที่เป็นมาประหลาดประหลาดและศักดิ์สิทธิ์จนฉันเองผู้อธิษฐานประหลาดใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะทําให้ฉันเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากเสียงกระซิบบ้าง เห็นด้วยตาทั้งๆ ท, ที่ลืมตาอยู่ปกติบ้างว่าตัวชั้นเองนี้ได้เป็นมนุษย์ที่มีจิตที่ใช้ทำอะไรก็ได้อยากจะให้เกิดอะไรขึ้นก็ได้แรกๆก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้แต่เมื่อเป็นขึ้นจริงๆหลายต่อหลายครั้งจึงแน่ใจว่าตัวเองเป็นอย่างหลวงพ่อพริ้งที่ท่านทำนายไว้เรื่องที่ปรากฏชัดๆมีหลายต่อหลายเรื่อง แต่ฉันจะเล่าเรื่องการสร้างพระประธานองค์แรกของฉันก่อนเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ1ิบกว่าปีมาแล้ววันหนึ่งฉันไปตัดเสื้อที่ร้านหลานสะพยหลานได้เล่าว่ามีพระรูปหนึ่งชื่อท่านสีอ่องได้ทานายชีวิตของเขาแม่นยำมากฉันก็เกิดสนใจอยากไปหาบ้างหลานก็แนะนำให้ว่าท่านอยู่วัดเอี่ยมวรนุษย์ที่บางขุนพลม ฉันก็ไปหาท่านและได้พบท่านตามต้องการท่านสีอ่องเป็นพระพระมา่าแต่มาอยู่ที่วัดเอี่ยมนี้นานแล้วความเป็นอยู่ของท่านอยู่อย่างพระที่เคร่งจริงๆนาเรื่อมใสไม่มีสิ่งฟุ่มเฟือยประกอบความบันเทิงใดๆทั้งสิน้นท่านดูดวงดูลายมือแล้วท่านบอกเคราะห์ไม่ค่อยดีวันเกิดปีนั้นอยากจะขอให้สร้างพระประธานมาก ฉันจึงบอกท่านสีอ่องว่าจะกลับไปคิดดูหลังจากวันนั้นไม่นานจําได้ว่าเป็นวันลอตเตอรี่ออกขณะที่ฉันบูชาพระหลังจากรับศีห้าและทำวัดเช้าก็มีเสียงกระซิบว่าขอเงินท่านสร้างพระสิฉันก็นึกได้ว่าจริงด้วยเราอยากสร้างพระประธานแต่ไม่รู้ว่าจะต้องสิ้นเปลืองเท่าไหร่ก็เลยทาตามเสียงที่บอกนั่งพนมมือตั้งจิตอธิษฐาน ขอเงินท่านที่บูชาทุกอง์ว่าถ้าลูกจะมีบุญบรารมีจะได้สร้างพระประธานในวันเกิดปีนี้ขอให้โดนบันดาลให้ลูกได้ลาบลอยจากทางใดก็ตามได้มาพอเพื่อจะได้สร้างพระประธานในครั้งนี้ด้วยมันช่างเป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆที่เกิดขึ้นคือห้องพระนั้นตั้งหันหลังให้กับทิศตะวันตกหันหน้าสู่ทิศตะวันออกด้านทิศใต้เป็นหน้าต่าง พอฉันอธิษฐานเสร็จก้มลงกราบพอเงยหน้าขึ้นก็เห็นด้วยตาขณะที่ยังลืมๆอยู่ว่ามีเลขลอยขึ้นมาทางหน้าต่างสองตัวเรียงซ้อนกันเลขบน875เหเลขล่าง375หตอนที่ฉันเห็นฉันคิดว่าฉันอุปทานอะไรกันขอปุ๊บก็ได้ปับ๊บใจก็ไม่เชื่อบูชาพระเสร็จก็ลงไปข้างล่างก็มีโทรศัพท์มาติดต่อธุรกิจอยู่เรื่อย จนเวลาเกือบ10บนาฬิกาขณะที่ฉันนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานก็มีเสียงเตือนว่าทำไมยังไม่แทงหวยอีกละ่ะฉันก็ตอบไปว่าไม่รู้จะแทงอะไรเสียงก็ตอบว่าอา้าวก็เมื่อกี้ได้เลขมาแล้วทำไมไม่แทงฉันก็คิดในใจว่าเอถ้าจะเป็นเลข875หกับ375หละมัง้งเอ๊ะนี่ท่านให้จริงๆน่ะเหรอเสียงก็เตือนอีกว่าก็ใช่น่ะสิ รีบแทงเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันฉันดูนาฬิกาตายจริง10บโมงแล้วจะไปแทงที่ไหนล่ะเสียงก็บอกว่าโทรศัพท์ไปที่คุณยงสิเพื่อนเก่านะ่ะฉันก็รีบโทรศัพท์ไปคุณยงไม่อยู่อยู่แต่คนใช้ชื่อทองสุขฉันถามทองสุขว่าคุณยงยังรับแทงหวยไหมทองสุขบอกยังรับอยู่แล้วทองสุขจาฉันได้ไหมจาได้คะ่ะทองสุขตอบ ฉันก็เลยเล่นเลขสองตัวตัวละ100บาททองสุกบอกให้เล่นแบบโต๊ดฉันก็เชื่อเพราะไม่ถนัดในเรื่องนี้นะักตกเย็น6โมงได้ฉันนึกขึ้นได้ว่าได้แทงหวยไว้ก็เลยโทรศัพท์ไปที่บ้านคุณยงคุณยงรับสายเองฉันก็เล่าว่าเมื่อเช้าได้เล่นโต๊ดไว้สองตัวไม่รู้ออกหรือเปล่าคุณยงตอบว่าออกแล้วคุณถูกด้วยสห้า เวลานี้ทองสุขมันนั่งน้าซีดอยู่ในคัวแน่ฉันก็ถามว่าอ้าวทำไมละ่ะก็ฉันเลิกรับมาเกือบปีแล้วมันดันไปรับแทงของคุณแล้วเกิดถูกเข้าน่ะสิเออแล้วฉันจะได้เงินเท่าไหร่ล่ะนี่ถ้าคิดตามธรรมดาก็ต้องได้หนึ่งมื่นแต่นี่ฉันเลิกรับแล้วแต่คุณเป็นเพื่อนเก่าฉันขอให้ครึ่งหนึ่งก็แล้วกันไม่รู้อะไรดนใจให้ฉันพูดว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน เงินนี่ฉันจะไปสร้างพระประธานนะเอามาหกพันก็แล้วกันเท่ากับคุณยงได้ช่วยทําบุญด้วยคุณยงก็ตกลงช่วโมงกว่าๆต่อมาคนรถคุณยงก็เอาเงินใส่ซองมาให้ทันทีที่ได้เงินฉันก็โทรศัพท์ไปหาท่านสีอ่องที่วัดเอี่ยมวรนุษย์ว่าเดี๋ยวฉันจะไปหาท่านแล้วจะเลยไปที่ร้านสร้างพระตกลงจะสร้างแน่นอนฉันไปถึงวัดท่านก็ออกเดินทาง พากันไปที่ร้านเจริญชัยฉันเดินเลือกแบบพระก็ไปชอบพระแบบสุขโขทยัยเป็นแบบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันหน้าตักที่จะสร้างต้องกว้าง33านิ้วโดยท่านสีอ่องท่านในฉันวัดรอบศีรษะจากต้นแขนมาที่ศอกจากศอกมาที่ปลายนิ้วกลางก็ตกลงว่าต้องหน้าตัก33นิ้วตอนแรกเจ้าของร้านคิดันสไม่รู้อย่างไร ฉันเกิดความดนใจว่าจะต้องสร้างอีกให้ครบสามปางก็บอกเขาไปว่าขอมาเป็นเจ้าจำนำเถอะจะสร้างอีกสององค์ขอให้คิดราคาขาดตัวพูดไปพูดมาฉันขนลุกสู้พอได้ยินคำตอบจากคนสร้างว่าลดให้สุดท้ายราคา 6,000 บาทขาดตัวฉันตกลงทันทีเงิน 6,000 บาทยังนอนอยู่ในซองที่ปิดผนึกฉันก็ไม่คิดที่จะเปิด จะเก็บไว้ให้เฉพาะค่าสร้างพระประธานเท่านั้นตอนขากลับฉันเล่าให้ท่านสีอ่องฟังท่านยังบอกว่าคุณโยมมีอ น, นิสงส์บารมีสูงมากจึงเป็นดังนี้ได้และท่านก็บอกว่านี่ยังมีค่าสมโพธิอีกนะคุณโยมจะมีพิธีกวนข้าวทิพค่าใช้ใจ่ายที่จะมีตามมาตกอีกประมาณหม0่นสองฉันก็คิดสาระตะว่าต้องเบิกเงินจากธนาคารมาใช้แน่นอนแต่เหตุการณ์หาเป็นเช่นนั้นไม่ ฉันถูกลอตเตอรี่และได้ลาบลอยมารวมทั้งหมดหนึ่งหสเศษเลยไม่ต้องชักเนื้อในการสร้างพระประธานองค์แรกนี้เลยปหลาดที่สุดและข้อสำคัญพอฉันตกลงสร้างพระไม่ถึงอาทิตย์ท่านสีอ่องก็โทรศัพท์มาหาเรียกให้ไปพบพอไปถึงท่านก็ส่งจดหมายฉบับหนึ่งให้อ่านเป็นจดหมายที่มาจากเมืองแพร่เขียนมาขอพระประธานจะขอไปตั้งในโบสถ์ เขียนมาจากหัวหน้าเขตป่าไมา้ชื่อคุณอุดมท่านสีอ่องบอกว่าคุณโยมจำไว้นะการสร้างพระประธานนั้นใครมีเงินก็สร้างได้แต่สร้างแล้วไม่มีใครมาขอไปบูชาบางรายตั้งอยู่ที่ศาลาการประเรียนเป็นปีๆฝุ่นจับบางรายสร้างเสร็จนําพระใส่รถเดินทางไปมอบพระรถเกิดไปความถึงตายก็มีแต่คุณโยมนี่มีบา ร, รมีดีมาก พอคิดสร้างก็มีคนขอโดยไม่รู้อิโนอิเนวันฉลองพระก็ทำที่วัดเอี่ยมขณะนั้นมีเคอร์ฟิวจำกัดเวลาที่ออกจากบ้านฉันต้องไปนอนโรงแรมรอยเากันสองคนห้องหนึ่งหลานสาวสองคนกับเด็กคนใช้อีกห้องหนึ่งเพราะกว่าพระคู่สวดจะทำพิธีปลุกพระเสร็จก็ตกเข้าสองยามพวกทางเมืองแพร่เขาพากันเช่ารถบัสมีคุณอุดมเป็นหัวหน้า ผู้เฒ่าผู้แก่มากันร่วมร้อยคนมีอยู่คนหนึ่งที่ฉันประทับใจไม่หายคือฉันอยู่ในพิธีที่วัดตั้งแต่เช้าพอตกเย็นพระปุกเสกยังไม่มาฉันก็กลับไปอาบน้ำอาบท่าทานอาหารที่โรงแรมพอกลับมาถึงวัดท่านสีอ่องก็บอกชาวเมืองแพร่เขาเพิ่งมาถึงเขาอยากพบคุณโยมผู้ใจบุญเรารอกันอยู่ในศาลาการประเรียนฉันก็เดินตามท่านไป พอเข้าไปในห้องโถงใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ใครต่อใครจากเมืองแพร่กำลังนั่งกินข้าวเหนียวกันอยู่พอท่านสีอ่องแนะนำว่านี่อย่างไรคุณโยมที่สร้างพระเท่านั้นเองทุกคนวางมือจากที่กำลังกินยกมือพนมท่วมหัวร้องสาธุพร้อมกันยังกับนัดกันไว้แล้วยังให้ศีลให้พรต่ออีกแล้วก็ขอผูกข้อมือฉันเขาเอาได้สายศีลมาผูกจนเต็มข้อมือ ฉันตื้นตันจนน้ำตาไหลมันปลื้มปิติบอกไม่ถูกคืนนั้นขณะที่พระสงฆ์ทำพิธีปลุกเสกชาวแพร่ไปนั่งอยู่ด้วยจนแน่นล้นออกมาที่ระเบียงกว่าจะเสร็จก็เกือบหนึ่งยามรุ่งเช้าก็กลับไปที่วัดอีกครั้งทำพิธีถวายข้าวทิพย์แล้วก็ม้อพระเพื่อให้เขานำเดินทางไปยังวัดที่จังหวัดแพร่คุณอุดมยังเขียนจดหมายมารายงานว่าหลวงพ่อท่านศักดิ์สิทธิ์จัง ตลอดทางที่นำพระไปหยุดที่ไหนผู้คนก็พากันมาทำบุญได้เงินกลับไปอีกสา0พันกว่าบาทต่อมาฉันได้สร้างพระอีกสามปางติดต่อกันทุกปีสุขโขทยัยเชียงแสนอู่ทองและปลางหน้าปลกซึ่งเป็นพระประจำวันของฉันซึ่งเกิดวันเสาร์ทุกองค์พอลงมือสร้างก็มีวัดขอไปบูชาทันทีได้ไปหมดสี่ทิศ ฉันปลื้มใจมากที่สุดที่พระที่ฉันสร้างไม่ตกค้างแม้แต่องค์เดียวดังได้เล่าไว้ว่าฉันมักจะนิมิตเห็นอะไรต่ออะไรแม้ขณะลืมตาและไม่ได้นั่งสมาธิพระในนิมิตครั้งนี้ฉันเห็นทั้งทั้งลืมตาและเห็นหลายครั้งทุกๆครั้งจะเห็นในสภาพเดียวกันหมดจนแน่ใจว่าเป็นนิมิตจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆวันแรกฉันนั่งที่โซฟาในห้องนอน นั่งพิงหมอนอิงเฉยๆเพราะเหนื่อยมาตั้งแต่เช้าแล้วเพราะวุ่นวายกับธุรกิจเกี่ยวกับการเงินและโครงการใหญ่ๆฉันจะต้องเจราจาช่วยเหลือเจ้าของโครงการเกี่ยวกับเงินจํานวนมหาศาลกับบริษัทเงินทุนและทุกๆรายการที่คนอื่นทําไม่ได้พอมาถึงฉันฉันจะช่วยเขาได้ในเวลาไม่เกินสองอาทิตย์ซึ่งเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อ ใครๆก็พากันมาหาฉันซึ่งในแต่ละรายก็ล้วนแต่พ่อค้าใหญ่ๆในวงการค้าแทบทั้งสิ้นแต่ไม่ว่าจะใหญ่เพียงใดมีวายจะต้องมาพึ่งการเจรจาของฉันให้ช่วยเขาอยู่บ่อยๆฉันนั่งพักอารมณ์ปล่อยให้ใจว่างจากอะไรๆ ร, รอบตัวนั่งเพลินๆอยู่จูๆ่ๆก็มองเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มาหืมมาตั้งอยู่ที่เชิงเขา ด้านหลังท่านเป็นแม่ไม้ซึ่งขึ้นอยู่บนภูเขาสูงส่วนด้านหน้ากลับเป็นชายหาดยื่นลงสู่ทะเลพระพุทธรูปนั้นเป็นสีทองอรามปางสมาธิเห็นถนัดอย่างกับฉันไปยืนอยู่ข้างๆองค์ท่านพอฉันเห็นฉันก็ร้องขึ้นในใจว่าโอ้โหองค์โตเท่านี้แล้วนี่เราจะมีปัญญาสร้างคนเดียวหรือนี่ฉันได้ถามจิตว่านี่จะต้องสร้างพระตามนิมิตนี้ไหม เสียงตอบว่าจะได้สร้างฉันก็ร้องอือออกมาคนเดียวคิดว่าแล้วแต่ท่านจะบรรดาลให้เถิดวันต่อต่อมาก็เห็นอีกคราวนี้เห็นด้านหน้าฉันได้ไปยืนอยู่ด้านล่างด้านหน้าพระพุทธรูปต้องแหงหน้าขึ้นไปดูเห็นชัดว่าเหมือนพระพุทธชินราชที่วัดเบญจมาประพิษที่สุดข้างหลังท่านต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นเขียวชะอุ่มอยู่บนภูเขา ต่อมาก็เห็นในสภาพตัวเองไปยืนด้านหลังท่านบนภูเขามองลงไปเห็นหาดทรายเห็นน้ำทะเลเขียวแก่ลูกคลื่นซัดเป็นละลอกเห็นอย่างนี้ทั้งๆ ท, ท, ที่ลืมตาทำให้ฉันไม่สบายใจเลยรู้สึกว่านี่เราจะทำอย่างไรดีเห็นบ่อยๆ อ, อย่างนี้เท่ากับเป็นการยืนยันว่าเราจะต้องสร้างพระอีกองค์เป็นองค์ที่ห้าแล้วนี่เราจะทายังไงกันล่ะนี่ ความไม่สบายใจจึงทำให้ฉันเที่ยวไต่ถามพวกเพื่อนที่มีญาติอยู่ต่างจังหวัดว่ามีวัดไหนบ้างที่ตั้งอยู่เชิงเขาติดทะเลซึ่งอยากจะสร้างพระบ้างพวกเพื่อนบางคนเกี่ยวดองกันซึ่งเป็นญาติทางเขออยู่ที่สงขลาเขาก็อาสาจะติดต่อให้ฉันตั้งตาคอยด้วยความไม่ค่อยจะสบายใจนะักมีความรู้สึกว่าเราจะต้องรับผิดชอบหรือมีส่วนร่วมในการสร้างพระองค์นี้อย่างแน่นอน เป็นปรากฏการประหลาดที่สุดและเหลือเชื่อจริงๆจูๆ่ๆเช้าวันหนึ่งก็มีลูกยกคนหนึ่งชื่อนิลละมนเขามีอะไรหลายอย่างให้ฉันรู้ว่าเขาเป็นลูกฉันในอดีตชาติได้โทรศัพท์มาบอกว่าคุณแม่คะเมื่อวานหนูไปเฝ้าเสด็จพ่อกมมาหลวงชุมพรมาเสด็จพ่อรับสั่งถึงคุณแม่แนะ่ท่านให้หนูมาบอกคุณแม่ลูกมนยังพูดไม่ทันจบฉันก็ขัดขึ้นว่าเอ๊ะ แม่ไม่ได้ไปเฝ้าท่านเลยแล้วท่านทำไมมาพูดถึงแม่ได้ละ่ะหนูก็ไม่ทราบค่ะคุณแม่ฟังดีๆนะคะหนูก็ไม่รู้ว่าเรื่องเป็นยังไงไมายังไงท่านบอกว่าลูกมนไปบอกแม่ว่าเขาจะต้องสร้างพระร่วมกับพ่ออีกองค์หนึ่งเป็นองค์สุดท้ายหนูถามท่านว่าพระอะไรท่านก็รับสั่งว่าแม่เขาน่มิตรไปแล้วเขารู้แล้วไปบอกแม่เขาตามพ่อสั่งก็แล้วกัน พระพุทธรูปนี้จะไปสร้างที่เชิงเขาที่หาดสพรีจังหวัดชุมพรที่ท่านไปสิ้นพระชนที่นั่นตั้งแต่เกิดมาจนป่านนี้ฉันยังไม่เคยรู้เลยว่ามีหาดชื่อนี้และจังหวัดชุมพรนี้หน้าตาเป็นยังไงฉันก็ไม่เคยไปแต่พอได้ยินลูกมนพูดแบบนี้มันเกิดความรู้สึกประหลาดรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่สุด ความรู้สึกที่เกิดขึ้นคล้ายกับเราเฝ้ารอคอยถึงคนคนหนึ่งที่เรารักสุดชีวิตแล้วก็เกิดมาได้รับข่าวคราวว่าเขายังอยู่ยังคิดถึงเราอยู่ด้วยแม้จะอยู่ห่างไกลกันคนละมุมโลกแต่ต้องกันไม่ถึงแต่ก็ยังได้รู้ข่าวของเขาสั่งมาถึงเราอะไรทำนองนี้น้ำตาฉันซึมแล้วก็ไหลออกมาโดยไม่รู้สึกตัวแล้วค่อยๆร้องมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ยังร้องต่อไปอีก คล้ายๆกับความตื้นตันนั้นยังค้างอยู่ในความรู้สึกฉันเองก็งงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นที่สุดรู้สึกตลอดเวลาแต่ก็ห้ามไม่ให้ร้องไห้ไม่ได้ท่านผู้อ่านอาจประหลาดใจที่ได้รู้ว่าฉันร้องไห้เป็นพักๆต่อมาอีกถึงเจดวันในที่สุดฉันก็มอบเงินจำนวนหนึ่งให้ลูกบนไปเพื่อร่วมสร้างพระพุทธชินราชพระในนิมิตของฉัน ซึ่งได้ร่วมสร้างกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายวันฉลองฉันไม่สามารถจะไปร่วมด้วยได้แต่ลูกมนได้ไปมาและกลับมาเล่าว่าที่หาดนี้มีศาลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรสร้างไว้อยู่และในวันที่ฉลอเรือรบลำที่ท่านเสด็จท่านเป็นผู้บังคับการขึ้นไปไว้บนหาดเพื่อเป็นอนุสรถึงท่านนั้นตอนแรกเขาจะเอาทางหัวเรือขึ้น ทำยังไงยังไงก็ไม่ขึ้นท่านก็มาประทับทรงใครก็ไม่ทราบบอกว่ามีที่ไหนในโลกที่เขาเอาหัวเรือขึ้นบกต้องเอาท้ายเรือขึ้นซีบรรดาผู้คนที่พยายามจะยกเรือทางหัวก็หยุดแล้วจุดธูปอธิษฐานถึงองค์ท่านแล้วก็ดึงทางท้ายเรือขึ้นข้าวนี้ขึ้นหาดได้อย่างสบายเบาอย่างประหลาดทีเดียวความศักดิ์สิทธิ์ของท่านจึงเป็นที่เลื่องลือจนเป็นที่รู้กันไปทั่ว ตัวฉันเองครุ่นคิดอยู่เสมอว่าจะหาโอกาสไปกราบองค์พระพุทธชินราชองค์นี้ให้ได้สักวันแม้จะเห็นในนิมิตก็ไม่เหมือนไปเห็นด้วยตาตัวเองคิดว่าคงจะปลื้มปิติเป็นที่สุดแต่ก็ไม่รู้ว่าสังขารจะอำนวยหรือไม่เมื่อไหร่อย่างไรก็ตามตกลงฉันก็ได้สร้างพระพุทธรูปตามในนิมิตทั้งองค์พระทั้งสถานที่ ตามที่โดนบันดาลให้ได้เห็นก่อนล่วงหน้าเสร็จสิ้นลงแล้วทุกประการหนังสือเสียงยานวิเศษจากอดีตชาติโดยอรษานนท์ EP ที่17ตอนกรมหลวงชุมพรเรื่องที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ได้ประสบมา ก, กับตัวเองอย่างไม่คาดฝันว่าจะได้พบเห็นและเรื่องที่เกิดก็เกิดโดยไม่รู้ตัวไม่ได้เตรียมตัวที่จะรับเหตุการณ์นั้น เป็นครั้งแรกในชีวิตและคิดว่าเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเพราะฉันไม่ชอบและไม่เคยเชื่อเรื่องพันนี้เลยเมื่อท่านอ่านแล้วก็พิจารณาดูก็แล้วกันว่าเป็นเรื่องที่ควรเชื่อหรือไม่สำหรับตัวฉันเองขอไม่ตอบเพราะถ้าตอบว่าไม่จริงก็ไม่ได้ด้วยมันเกิดกับตัวเราเองและถ้าถามว่าเชื่อหรือไม่ก็ตอบยากมาก เหตุที่พูดเช่นนี้ก็ได้บอกแล้วแต่ตอนต้นว่าไม่ชอบและไม่เคยเชื่อมาก่อนแต่เมื่อประสบเข้ากับตัวเองก็เล่นเอาจนปัญญาที่จะต่อไปเลยเรื่องมีอยู่ว่าเช้าวันหนึ่งจําได้ว่าเป็นอังคารลูกมนคนที่เคยเล่าในตอนสร้างพระในนิมิตได้มาหาที่บ้านแล้วบอกว่าวันนี้จะมาพาไปเที่ยวแก้เหงาฉันก็บอกว่า ตามใจจะไปไหนก็ไปแล้วก็ขึ้นรถของลูกมนซึ่งเขาเป็นผู้ขับรถพาไปให้จำได้ว่าตอนที่แวะครั้งแรกเป็นร้านอาหารที่มีชื่ออยู่ติดถนนเจริญนครเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วลูกมนก็บอกหนูจะพาไปดูอะไรอีกแห่งหนึ่งแต่ยังไม่บอกว่าจะพาไปดูอะไรลูกมนขับรถพาเลี้ยวเข้าไปในซอยหนึ่งแค บ, แคบ เข้าไปประมาณ300เมตรได้ก็หยุดจอดรถพร้อมทั้งหยิบลมออกมากลางแล้วบอกว่าที่ซึ่งเราจะไปนี่รถเข้าไม่ถึงต้องเดินเข้าไปอีกหน่อยตอนนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงเศษแดดกำลังร้อนเปลี้ยงฉันชักไม่ชอบใจแล้วกินมาอิ่มอิ่อยู่ๆก็จะพามาเดินตากแดดเล่นอย่างนั้นแหละฉันเลยบอกลูกมนว่าไม่เอาละไม่อยากดูอะไรแล้ว ถ้าต้องเดินตากแดดอย่างนี้ไม่เอาดีกว่าลูกมนก็อ้อนวอนขยันขยอพร้อมทั้งดึงมือให้เดินไปด้วยกันฉันก็เหมือนคนบ้าจะไม่ไปก็เกรงใจว่าเขาอุตส่าห์ขับรถมารับไม่ไปเดี๋ยวเขาก็จะเสียใจก็เลยจำใจไปเดินไปก็บ่นไปทางเดินไปเป็นคนกรีดก็จริงแต่ก็แคบ พ, พอเดินเรียงสองเท่านั้นแต่ตัวฉันอ้วนก็เดินเรียงหนึ่ง ลูกมนก็ให้ฉันกลางร่มคนเดียวส่วนตัวเขาก็เดินตากแดดนำหน้าฉันเองปกติเป็นคนไม่ชอบเดินเพราะเดินไม่ทนหนึ่งและเกลียดความร้อนสองนี่โดนทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันชักจะทำให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดหยุดพักทานยาลมกลางทางแล้วขอกลับลูกมนก็ไม่ยอมบอกว่าอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะอดทนอีกนิดเดียวเท่านั้นไหนไหนมาแล้วก็ให้ถึงสิคะ แมมฉันเกิดโมโหจริงๆเหงื่อออกเต็มตัวเนอะห น, หนะไปหมดเดินลาขาจนจะไม่ไหวอยู่แล้วลูกมนก็ร้องบอกถึงแล้วค่ะบ้านที่มีสารพระภูมิสีเขียวตรงหน้าบ้านนั่นละค่ะฉันมองไปตามมือที่ชี้ก็เห็นเรือนไม้ปลูกแบบแบ่งให้เช่าเป็นเรือนสองชั้นขนาดใหญ่มีรั้วไม้ระแนงกั้นเป็นสัสดส่วนอยู่ทางขวามือ โดยมารยาทเมื่อฉันเดินเข้าไปจะขึ้นบ้านซึ่งตองผ่านสารพระภูมิฉันก็ยกมือไหว้แล้วก็เข้าไปนั่งบนเก้าอี้หวายอย่างไม่สนใจใครที่อยู่ที่นั่นและไม่รู้ด้วยซ้าว่าใครเป็นเจ้าของบ้านลมเย็นจากพัดลมตั้งพื้นซึ่งเขาเปิดอยู่ก่อนแล้วพัดผ่านตัวทำให้ลดอารมณ์หูดหงิดลงไปได้นิดหน่อยแต่คอแห้งเป็นทะเลทรายเลย กำลังนึกว่าทำยังไงนะจึงจะได้น้ำเย็นๆกินซักแก้วก็พอดีมีผู้หญิงคนหนึ่งมาคุกเข่าที่ข้างหน้ายื่นกาแฟเย็นให้อย่างนอบน้อมในชีวิตก็เพิ่งครั้งนี้แหละที่ฉันกล่าวขอบคุณแล้วก็รับกาแฟถ้วยนั้นมาดื่มทันทีโดยไม่รอช้าขณะนั้นลูกมนซึ่งพอเข้ามาก็หายตัวไปปล่อยให้ฉันนั่งอยู่คนเดียว จากนั้นเขาก็เดินออกมาพร้อมกับแนะนำให้รู้จักเจ้าของบ้านชื่อคุณเฉวียงคุณเฉวียงก็คือคนที่นำกาแฟมาให้นั่นเองแกเป็นคนรูปร่างเล็กบางอายุอยู่ในปูน40สบเศษเธอมีขาข้างเดียวส่วนอีกข้างเหลือแต่หัวเข่าเท่านั้นฉันยิ่งงงใหญ่จับต้นชนปลายไม่ถูกวันนี้ลูกมนเขาพามาบ้านนี้เพื่อดูคนขาเดียวหรือยังไงคุณเฉวียงถามว่า เหนื่อยมากไหมคะถ้าคนไม่เคยเดินบ่อยๆจะรู้สึกเหนื่อยมากแต่พอมาครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปก็จะรู้สึกใกล้นิดเดียวฉันก็คิดในใจว่าโอ้ยแม่คุณหนเดียวนี่ก็พอแล้วถึงจ้างกันมาก็ไม่มาอีกแล้วก็เลยไม่ได้ตอบอะไรนึกอย่างเดียวคืออยากกลับบ้านจึงบอกลูกมนว่ากลับกันหรือยังล่ะลูกมนร้องตายกลับทาไมคะเพิ่งมาถึงยังไม่ได้พบของดีเลย รอประเดี๋ยวนะคะนั่งพักเหนื่อยก่อนเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนฉันร้องบ้างขึ้นไปทาไมกันไม่เอาไม่เอาเดินมานี่ก็เมื่อยจะตายอยู่แล้วยังจะให้ไต่บันไดขึ้นไปอีกเหรอพอดีมีเด็กสาวคนหนึ่งโผล่หน้าแล้วมาบอกลูกมนว่าเชิญท่านขึ้นข้างบนได้แล้วในตอนนี้คุณเฉวียงหายไปไหนเมื่อไหรไม่ทันสังเกตลูกมนเข้ามายกกระเป๋าถือของฉัน หยิบไม้เท้าที่ฉันใช้ประจำส่งให้แล้วเข้ามาจับมือพลางบอกว่าขึ้นข้างบนกันเถอคะค่ะคุณแม่ฉันยังดื้อไม่ยอมขึ้นท่าเดียวร้องถามอยู่แต่ว่าจะเอาแม่ขึ้นไปทำไมกันในที่สุดก็ทนคำอ้อนวอนของลูกมนไม่ไหวจำใจขึ้นบันไดไปข้างบนพอฉันโผล่ขึ้นไปพอมองเห็นในห้องก็ตกใจแทบตายนี่มันอะไรกันนี่ ผู้คนนั่งกันเต็มไปหมดประมาณสัก40คนได้แต่ทุกคนนั่งนิ่งสำรวมกริยากันเงียบกลิบลูกมนพาฉันผ่านคนเหล่านั้นเข้าไปนั่งสุดห้องฉันนั่งลงกับพื้นเอาฝาบ้านเป็นที่พิงแล้วก็กว่าสายตามองความเป็นไปในห้องนั้นสิ่งที่ฉันแลเห็นก็คือบนฝาเหนือหัวฉันมีติดรูปในหลวงไว้ทั้ง9รัชกาล ตรงหน้าสุดฝามีที่บูชาตั้งอยู่สองที่มีที่บูชาพระพุทธ1หนึ่งที่และที่บูชารูปปั้นของใครไม่ทราบอีกหนึ่งที่ทัดออกมาบนพื้นห่างจากที่ชั้นนั่งสัก4เมตรหรือ5เมตรมีอาสนะและหมอนอิงตรงหน้าอาสนะมีบุหรี่ซิ ก, ก้าวางอยู่มีพัดลมตั้งอยู่ตามมุมห้องสตัวเปิดระบายความร้อนอยู่ตลอดเวลา ฉันมองสิ่งเหล่านี้เงียบๆด้วยความชะโนฉันไม่รู้ถ่ายก็ไม่ออกว่าเขาพาฉันมาหาใครมาทําไมฉันมองดูคนที่นั่งกันอยู่เงียบๆด้วยความแปลกใจสิ่งสะดุดตาฉันอย่างหนึ่งคือทุกคนจะมีธูปดอกไม้เทียนเตรียมอยู่กับตัวเพื่อรอจะบูชาหรือถวายหรือให้กับใครซึ่งเหมือนเหมือนกันฉันมัวมองเพลิน พลันได้ยินเสียงคนกระทืบเท้าวตึงๆหลายทีติดต่อกันฉันตกใจมากรีบเบนสายตามาที่เกิดเสียงก็เห็นคุณเฉวียงซึ่งมีขาเดียวกําลังยืนกระทืบเท้าอยู่ทางซ้ายมือหน้าที่บูชาที่มีรูปปัน้นเสียงกระทืบเท้านี้แปลกมากกระทืบเหมือนคนมีสองเท้าซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ฉันมองดูแล้วนึกในใจว่านี่เขาต้องเทรนมาอย่างดี ว่าจะกระทือบอย่างไรจึงจะเป็นเสียงสองเท้ากระทืบได้พอสิ้นเสียงกระทืบเท้าคุณเฉวียงซึ่งบัดนี้หนุ่งขาวห่มขาวก็เดินโดยปราศจากไม้เท้ามาอย่างที่อาสนะแล้วนั่งพับเพียบลงคุณเฉวียงอยู่ในลักษณะหลับตาทั้งสองข้างสนิทคำแรกที่เอ่ยถามลูกมนซึ่งตอนนี้กลายเป็นผู้คอยปรนิบัติว่า ลูกมนพาใครมาหาพ่อหรือเสียงพูดค่อยๆช้าๆได้ยินเบาๆลูกมนก้มลงกราบคุณเฉวียงแล้วยกถาดที่มีดอกไม้ถูบเทียนส่งให้คุณเฉวียงซึ่งคุณเฉวียงรับถาดทั้งๆหลับตาลูกพาคุณเธอเอ่ยชื่อฉันออกมาเฝ้าเสด็จพ่อเพคะฉันร้องอุยตายอยู่ในใจอะไรกันใครบอกฉันว่าฉันจะมาเฝ้า เฝ้าใครกันฉันไม่รู้เรื่องฉันปฏิเสธอยู่ในใจคนเดียวพามาหาพ่อสิเสียงคุณเฉวียงสั่งลูกหมนหันมาทางฉันซึ่งนั่งตัวรีบอยู่ข้างฝาพลางกวักมือเรียกฉันโบกมือไปมาแสดงการปฏิเสธโดยสิ้นเชิงลูกหมนก็ไม่รีรอคลานมาจับมือฉันให้เข้าไปหาคุณเฉวียงซึ่งบัดนี้เรียกตัวเองว่าพ่อทํายังไงยังไงฉันก็ไม่ยอมไป ผู้คนทั้งหลายที่นั่งรอกันอยู่เป็นตับตับก็ส่งสายตามายังฉันกันทุกคนฉันทั้งอายและกโกรธลูกมนอย่างบอกไม่ถูกจริงๆขณะนั้นถ้าฉันเดินเหินสะดวกก็คงแทบจะลุกวิ่งหนีออกมาเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปจริงๆนะลูกมนไม่ละความพยายามอ้อนวอนอยู่นั่นแหละแถมยังมีเสียงมาจากคุณเฉวียงร้องเรียกอีกว่ามาเถิดมาพบกันเสียที ฉันเลยยอมจำนนเพราะเกรงใจใครๆทั่วไปหมดที่ต่างก็รอฉันอยู่คนเดียวลูกมนพาฉันคลานเข้าไปพอเข้าไปใกล้คุณเฉวียงก็แบมือสองมือติดกันยื่นมาหาฉันฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงมองหน้าลูกมนเขาก็ส่งถาดที่มีดอกไม้ทูบเทียนแล้วอะไรอีกก็ไม่ได้สังเกตมาให้ฉันบอกว่าคุณแม่ถวายสิคะ ฉันก็รับถาดมาแล้วยกส่งให้คุณเฉวียงซึ่งเขารับถาดแล้วสั่งลูกมนว่าเอาไปไว้ที่บูชาหนึ่งลูกมนรับถาดไปเก็บไว้ทางซ้ายมือแล้วหันมาบอกฉันให้พนมมือแล้วเอาไปวางในมือคุณเฉวียงที่แบรับมือฉันอยู่ฉันก็ขยับไปใกล้คุณเฉวียงอีกหน่อยแล้วก็พนมมือต่าๆแล้ววางลงในมือคุณเฉวียงซึ่งเขาก็เอาสองมือที่แบรบอยู่ ประกบเข้าอุ้มมือฉันทันทีนั้นก็บังเกิดความรู้สึกที่ประหลาดที่สุดกับฉันอย่างไม่น่าเชื่อคือเริ่มมีอาการสะอื้นในอกแบบสะท้อนใจอย่างมากแล้วก็เริ่มจะร้องไห้ฉันพยายามกัดปากจนเจ็บและบอกตัวเองว่าหยุดนะอย่าบ้านนะอะไรกันแกปานนี้แล้วจะมานั่งร้องไห้อวดคนแปลกหน้าได้ยังไงหยุดหยุดเดี๋ยนี้ ฉันพยายามที่สุดกัดลิ้นจนเจ็บบอกจิตให้หยุดสะอื้นยิงห้ามเหมือนยิ่งยุความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นเปรียบเสมือนเราจากกับใครมาคนหนึ่งที่เรารักสุดชีวิตเราคร่ำครวญหวนหาจนเราตายและเขาไม่กลับมาแต่แล้วขณะนี้เราได้พบเขาแล้วเรากำลังสัมผัสมือกันอยู่เราดีใจจนสุดที่จะหักห้ามมีให้ร้องไห้ได้ ขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกอยากจะกอดคุณเฉวียงและลูกมนเหมือนกับเราพลัดพรากจากกันพ่อแม่ลูกแล้วเราก็ได้กลับมาพบกันใหม่ฉันร้องไห้เป็นบ้าปเป็นหลังยังสติเกือบไม่อยู่อยากจะกอดคุณเฉวียงให้ได้ใจมันจะขาดเสียอย่างนั้นแหละแต่ฉันทําได้เพียงดึงมือจากคุณเฉวียงออกมามือหนึ่งเป็นมือซ้ายแล้วเอื้อมไปจับหัวเข่าลูกมน แล้วก็หลับหูหลับตาร้องไห้สะอื้นฮักฮักหมดปัญญาบังคับตัวเองน้ำตาฉันไหลอาบหน้าจนมองไม่เห็นอะไรลูกมอนเห็นดังนั้นก็เอื้อมมือไปหยิบผ้าเช็ดหน้าในกระเป๋าถือของฉันมาซับน้ำตาให้พอฉันลืมตามองคุณเฉวียงซึ่งนั่งกุมมือฉันอยู่มือหนึ่งคุณเฉวียงเองก็กำลังร้องไห้น้าตาไหลเต็มสองแก้มแล้วเอ่ยถามฉัน หลังจากปล่อยให้ร้องไห้กันเงียบๆพักใหญ่ว่ารู้สึกเป็นยังไงจ๊ะดีใจไหมโทอุตส่าห์อยู่มาจนได้พบกันจนได้ฉันไม่ตอบเพราะถ้าฉันอ้าปากพูดจะต้องมีเสียงร้องไห้โฮออกมาฉันปิดปากสนิทร้องไห้ต่อไปคุณเฉวียงก็ค่อยๆพูดแบบปลอบใจว่าร้องเธอจ้ะร้องให้เต็มที่ อย่าห้ามตัวเองเลยดีใจเหลือเกินที่ได้พบกันถามถึงลูกมนว่ามีความรู้สึกยังไงกับลูกมนจ๊ะตอนนี้ฉันพอซาร้องไห้ลงแล้วก็ตอบไปว่ารู้สึกรักตั้งแต่วันแรกรู้สึกเหมือนได้พบกันรู้จักกันมานานแล้วพอฉันตอบเท่านั้นคุณเฉวียงก็เรียกลูกมนว่าลูกมนเข้ามากราบเสด็จแม่เสียลูก ลูกหมอนนั้นร้องไห้อยู่นานแล้วก็คลานมากราบลงที่ตักชั้นแล้วกอดชั้นร้องไห้เราสามคนไม่ได้ทำอะไรร้องไห้กันอยู่พักใหญ่ภาพที่เกิดขึ้นขณะนั้นคงแปลกพิลึกจริงๆไม่รู้ว่าเกิดการพิสดารอะไรฉันผู้ซึ่งบังคับจิตตัวเองได้กับกลายเป็นใครก็ไม่รู้ที่ไปนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นกับคนแปลกหน้าอยู่ได้อย่างไม่อาย มิหนำซ้ำยังอยากจะกอดเขาให้แน่นที่สุดให้แนบกับอกแต่ก็ไม่กล้าทําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้ว่าทําไมเพราะอะไรและคุณเฉวียงมีใครมาอยู่ภายในตัวตนคนนั้นสิ่งนั้นเป็นอะไรฉันตอบไม่ได้แต่จําคําพูดติดหูจนบัดนี้ว่าพี่ไม่ได้หนีน้องไปไหน แต่พี่ถูกพม่ามันฆ่าตายจึงกลับมาหาน้องไม่ได้ตอนนั่งรถกลับบ้านฉันก็ยังนั่งนิ่งร้องไห้มาตลอดทางพาเช็ดหน้าผื้นใหญ่ชุ่มโชคไปด้วยน้ำตาฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันและเพิ่งรู้ตอนขากลับอย่างเดียวว่าผู้ที่ฉันได้พบเมื่อกี้นั้นคือสเสด็จพ่อกมมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ผู้มาประทับทรงคุณเฉียงเป็นประจำ ก่อนที่คุณเฉวียงจะมาเป็นร่างให้ประทับทรงนั้นคุณเฉวียงเกือบจะต้องตายแล้วเพราะเป็นวันโรคกระดูกแต่เพราะท่านมาประทับทรงช่วยรักษาจึงตัดขาไปเพียงเข่าเหลือขาไว้ข้างเดียวหมอผู้ผ่าตัดเล่ากันว่าระหว่างที่ผ่าตัดคุณเฉวียงนั้นคุณเฉวียงผือซึ่งจบแค่มัธยมหนึ่งพูดภาษาอังกฤษภาษาศัพท์ของหมอกับหมอที่ผ่าตัดตลอดเวลาที่สลบอยู่ ท่านเชื่อหรือไม่ในเรื่องที่ฉันเล่ามานี้และถ้าท่านเชื่อท่านทราบไหมว่าฉันคือใครในอดีตชาติสำหรับตัวฉันเองหรือก็ตอบได้ว่ายังสงสัยตัวเองอยู่จนบัดนี้ว่าเหตุการณ์อย่างวันนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและในอดีตชาติครั้งหนึ่งที่เวียนว่ายตายเกิดผ่านมานั้นฉันเป็นใครในครั้งนั้น